เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมเพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งทำทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏะและพยัญชนะ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 ได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิฟและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิฟอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 7. จ็ดกำหนดรู้จิตของสัตว์และบุคคลอื่นได้ด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะจิตมีโทสะหรือปราศจากโทสะจิตมีโมหะหรือปราศจากโมหะจิตหดหู่หรือฟุ้งซ่าน จิตเป็นมหัคตะหรือไม่เป็นมหัคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าไม่หลุดพ้น 8. เราลุกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้างย0บชาติบ้าง3 0ชาติบ้าง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 จุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพนน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารสวยสดิุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นแล้วจึงมาเกิดในภพนี้ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้9เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกาลังเกิดทั้งชั้นต่าและชั้นสูงงามและไม่งาม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 สิบทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำสิบประการนี้แลจึงเป็นผู้ควรแกร่ของที่เขานํามาถวายควรแกร่ของต้อนรับควรแกร่ทักษินาควรแกร่การทําอัญเชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอาหุเนยสูตรที่เจ็ดจบ เทระสูตรว่าด้วยคุณธรรมของพระเทระภิกษุทั้งหลายภิกษุเทระประกอบด้วยธรรมสิบประการจะอยู่ในทิศใดๆย่อมอยู่สำราญโดยแท้ธรรมสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุเทระ 1. เป็นรัตัญยูบวชมานาน 2. เป็นผู้มีศีลและถึงสมทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลาย 3. เป็นพระหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งทำทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท้ำกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฐิ 4. ทรงจำปาติโมกทั้งสองได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดาร วินิจัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ 5. เป็นผู้ฉลาดในการระงับอธิกรที่เกิดขึ้น 6. เป็นผู้ใครรทำเป็นผู้ฟังและแสดงธรรมเป็นที่พอใจมีปราโมทอย่างยิ่งในอภิธรรมและอภิวินัย 7. เป็นผู้สันโดดด้วยจีวอนบินทบาทเซนาสนะและกีฬานปัจจัยเพศสัตบริขารตามแต่จะได้ 8. ด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 ภิกษุทั้งหลายภิกษุเทระประกอบด้วยธรรมสิประการนิแลจะอยู่ในทิศใดๆย่อมอยู่สำราญโดยแท้เทระสูตรที่8จบ 9. อุปาลิสูตรว่าด้วย พระอุบาลีขออนุญาตอยู่ป่าครั้งนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ปรารถนาจะอาศัยเสนาสะนะเงียบสงดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลี เสนาสนะอันเงียบสงัเคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ลำบากทำวิเวกได้ยากในการอยู่โดดเดี่ยวก็อภิรมได้ยากป่าทั้งหลายเห็นจะชักนำจิตของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิให้วาดวันอุบาลีผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรายังไม่ได้สมาธิจากอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ผู้นั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จากจมลงหรือจากฟาุ้งซ่านเปรียบเหมือนมีห่วงน้ำใหญ่ถ้ามีช้างใหญ่สูงเจ็ดศอกหรือเจ็ดศอกครึ่งมาถึงเข้าช้างนั้นพึงคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรจะลงสู่ห่วงน้ำนี้แล้วล้างหูเล่นบ้างล้างหลังเล่นบ้างอาบดื่มขึ้นมาแล้วหลีไปตามปรารถนาช้างนั้นลงสู่ห่วงน้ำนั้นแล้วพึงล้างหูเล่นบ้างล้างหลังเล่นบ้าง อาบดื่มขึ้นมาแล้วลีไปตามปรารถนาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะช้างนั้นมีร่างกายใหญ่จึงต้องลงน้ําลึกครั้นกระตายหรือเสือปลามาถึงห่วงน้ํานั้นเข้ากระตายหรือเสือปลานั้นพึงคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นอะไรและช้างใหญ่เป็นอะไรทางที่ดีเราควรจะลงสู่ห่วงน้ํานี้แล้วล้างหูเล่นบ้างล้างหลังเล่นบ้างอาบดื่ม ขึ้นมาแล้วหลีไปตามปราถนากระต่ายหรือเสือปลานั้นลงสู่ห่วงน้ำนั้นโดยฉับพลันไม่ทันได้พิจารณาจําต้องหวังข้อนี้ได้ว่าจากจมลงหรือจากลอยขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกระต่ายหรือเสือปลานั้นมีร่างกายเล็กลงในห่วงน้ำลึกไม่ได้ฉันใดผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราเมื่อยังไม่ได้สมาธิจากอาศัยเสนานะอันเงียบสงด คือป่าโปรงและป่าทึบอยู่ผู้นั้นจำต้องหวังข้อนี้ได้ว่าจากจมลงหรือจากฟุ้งซ่านชันนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนเด็กอ่อนยังนอนงายเล่นมูดและคูของตนเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรการเล่นนี้เป็นการเล่นของเด็กอ่อนโดยทั่วไปหรือพระอุบาลีกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค้าอุบาลี สมัยต่อมาเด็กคนนั้นเองเจริญเติบโตขึ้นมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นเล่นเครื่องเล่นสำหรับเด็กเคยเล่นไถน้อยๆตีไม้หึงเล่นกางหันไม้เล่นกางหันใบไม้เล่นตวงายเล่นรถน้อยเล่นธนูน้อยๆเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรการเล่นนี้ยิ่งกว่าปราณีกว่าการเล่นที่ไม่มาก่อนหรือ อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าอุบาลีสมัยต่อมาเด็กคนนั้นเองเจริญเติบโตขึ้นอีกมีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่อิ่มเอิบพรั่งพร้อมด้วยการมคุณห้าบำเรอตนอยู่ด้วยรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันน่าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่ชวนใจให้กำนัดด้วยเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู ด้วยกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกด้วยรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นด้วยโพธพภะที่พึงรู้แจ้งทางกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่ชวนใจให้กำนัดเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรการเล่นนี้ยิ่งกว่าปราณีต ก, กว่าการเล่นที่มีมาก่อนหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอุบาลี ตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารทีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีประภาคตถาคตรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว์ พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัถาและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนข้าบดีหรือบุตคข้าบดีผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งฟังธรรมนั้นแล้วได้ศรัทธาในตถาคต ได้ศรัทธาแล้วพิจารณาเห็นว่าคารวาดคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาปลอดโปรง่งการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดูดสังที่ขัดแล้วนี้มิใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรจะปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสมัยต่อมา เขาได้ละกองโภกกัะซัน้อยใหญ่เครือญาติน้อยใหญ่แล้วปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเมื่อบวชแล้วเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศึกขาและสาชีพเสมอด้วยภิกษุทั้งหลายละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสัต ร, ตราวุธมีความละอายมีความเอนดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ เป็นผู้ละเว้นขาจากการลักทรัพย์คือรับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่เป็นผู้ละพฤติกรรมอันเป็นค่าสืบต่อพรหมจันทร์ประพฤติพรหมจันทร์เว้นห่างไกลาจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านเป็นผู้ละเว้นขาจากการพูดเ ท, ท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลก เป็นผู้ละเว้นขาจากการพูดส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทําลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทําลายฝ่ายโน้นสมานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สมคีกันผู้แต่ถ้อยคําที่สร้างสรรค์ความสมคีเป็นผู้ละเว้นขาจากการพูดคําหยาบ คือกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเป็นผู้ละเว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อเคอพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลา ภิกษุนั้นเป็นผู้เว้นขาจากการพระพืชคามและภูตคามฉันมื้อเดียวไม่ชันตอนกลางคืนเว้นขาจากการฉันในเวลาวิกาลเว้นขาจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการละเล่นที่เป็นค่าสึกษกขุสนเว้นขาจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัว เว้นขาจากที่นอนสูงใหญ่เว้นขาจากการรับทองและเงินเว้นขาจากการรับธัญญาหารดิบเว้นขาจากการรับเนื้อดิบเว้นขาจากการรับสตรีและกุมารีเว้นขาจากการรับธาตหญิงและทาตชายเว้นขาจากการรับแพะและแกะเว้นขาจากการรับไก่และสุกรเว้นขาจากการรับช้างโคมา้าและลา เว้นขาจากการรับเลือกสวนไร่นาและที่ดินเว้นขาจากการรับทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารเว้นขาจากการซื้อขายเว้นขาจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัดเว้นขาจากการรับสินบนและล่อลวงและการตลบตะแลงเว้นขาจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงการปล้น และการขู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นภาระภิกษุนั้นผู้ประกอบด้วยอริยศีละขันธ์อย่างนี้ชื่อว่าสวยสุขอันไม่มีโทษภายในภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือ ปฏิบัติเพื่อสำรวมในจกักขุนสี่ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรมคืออภิชาความเพ่งเลงอยากได้ของเขาและโทมนัสความทุกข์ใจครอบงำได้จึงรักษาจากักขุนสี่ถึงความสำรวมในจกักขุนสี่ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐะทางกาย รู้ธรรมมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสัมรวมในมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สัมรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุโสณธรรมคืออภิชาและโทมนัะครอบงำได้จึงรักษามนินทรียีถึงความสัมรวมในมนินทรียีภิกษุนั้นผู้ประกอบด้วยอริยะอินทรีย์สังวรอย่างนี้จึงชื่อว่าสวยสุขอันไม่ระคณด้วยกิเลสภายใน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 ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยสีลขันอริยะอินรียสังวรและอริยสติสัมปัญญะอย่างนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสะนะเงียบสงัดคือป่าโคลนไม้ภูเขาซอกเขาท่าป่าช้าป่าทึบที่แจ้งลมฟางภิกษุนั้นไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคลนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีก็ั่งคูบัลังตั้งกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้าภิกษุนั้นละอภิชาในโลกแล้วมีใจปราศจากอภิชาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาและความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละทีนามิทะความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากถีนมิทะ กำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะและอุทจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจจกุกุจจะและวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุณธรรมทั้งหลายอยู่ชำระจิต ให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจชาภิกษุนั้นครั้นละนิวรหาประการนี้ที่เป็นเครื่องเศร้ามองใจเป็นเครื่องทอนกำลังปัญญาแล้วสังัดจจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ปุบาลีเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร การอยู่นี้ยิ่งกว่าและปราณีกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม่นี้แลในตนจึงอาศัยเสนนาสนะอันเงียบสงดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งพระวิตกวิจารสงบระงับไป ภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่อุบาลีเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและปราณีกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม่นี้ในตนจึงอาศัยเสยนาสะนะเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่อุบาลีเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและปราณีกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม่นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสะนะเงียบสงัดคือป่าโปรงและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งเพราะล่าสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจจตุทะฌานอยู่อุบาลีเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร การอยู่นี้ยิ่งกว่าและปราณีกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม่นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสะนะเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุอาการสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานาตัสัญญาโดยประการทั้งปวงอุบาลีเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและปราณีกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม่นี้ในตนจึงอาศัยเศนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งภิกษุล่วงอาการสานัณจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ภิกษุ ล่วงวิญญาณัญจายตนะชานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนาชานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่ภิกษุล่วงอากินจัญญายตนาชานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนาชาดโดยกำหนดว่าธรรมชาตินี้สงบธรรมชาตินี้ปราณีตอยู่อุบาลีเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร การอยู่นี้ยิ่งกว่าและปราณีกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าอุบาลีอีกประการหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเซนาสนะอันเงียบสงัเคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่ง ภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายานะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยียตินิโรธอยู่และอาสวะทั้งหลายของภิกษุนั้นเป็นอันสิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาอุบาลีเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและปราณีกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าคะอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัเคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอุบารีเธอจงอยู่ในสงเถิดเมื่อเธออยู่ในสงความสำราญจากมีอุปาลิสูที่เก้าจบ สิอภัพภสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละทำสิประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ทำสิประการอะไรบ้างคือ 1. ราคะความกำหนัด 2. โทสะความคิดประทุสร้าย 3. โมหะความหลง 4. โกตะความโกรธ 5. อุปนาหะความผูกโกรธ 6. มัคคะความลบหลู่คุณท่าน 7. ปลาสะความตีเสมอ 8. อิ ส, สาความริษยา 9. มัจฉริยะความตรณี 10. มานะความถือตัวบุคคลยังละทำสิบประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้บุคคลละทำสิบประการนี้ได้แล้ว จึงอาททำให้แจ้งอรหัตผลได้ทำสิบประการอะไรบ้างคือ 1. ราคะ 2. โทสะ 3. โมหะ 4. โกทะ 5. อุปนาหะ 6. มักคะ 7. ป็าสะ 8. อิสา 9. มัทชริยะ 10. มานะภิกษุทั้งหลายบุคคลละทำสิบประการนี้แลได้แล้ว จึงอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้อภ พ, พสูตรที่10จบอุปาสกะรวัคที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวรนี้คือ 1. กามโภคีสูตร 2. พยสูตร 3. กิงทิทิกะสูตร 4. ว่วชิยมาหิตะสูตร 5. อุติยสูตร 6. โกกนุทธะสูตร เจ็ดอาหุเนยสูตรแปดเทระสูตรเก้าอุปาลิสูตรสิบอาภพภาสูตรทุติยปัญ น, นาจบบริบูรณ์สาม ตติยปันนาตหนึ่งสมณะสัญญาวักหมวดว่าด้วยสมณะสัญญาหนึ่งสมณะสัญญาสูตรว่าด้วยสมณะสัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมณะสัญญาสามประการนี้ที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมให้ทำเจประการบริบูรณ์สมณะสัญญาสามประการอะไรบ้างคือ สมณสัญญาว่า 1. เรามีเพศต่างจากครหัส 2. ชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่น 3. ม, มารยาทอย่างอื่นที่เราควรทำมีอยู่สมณสัญญาสามประการนี้แลที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมให้ทำเจประการบริบูรณ์ทำเจประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีปกติทำต่อเนื่อง ประพฤติต่อเนื่องเป็นนิดในศีลทั้งหลายสองเป็นผู้ไม่มีอภิชาความเพ่งเลงอยากได้ของเขาสามเป็นผู้ไม่มีพยาบาทความคิดร้ายสี่เป็นผู้ไม่มีมานะความถือตัวห้าเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาหกเป็นผู้มีการพิจารณาปัจจัยทั้งหลายอันเป็นบริขารแห่งชีวิตว่าปัจจัยเหล่านี้มีประโยชน์เช่นนี้ แล้วจึงบริโภค 7. เป็นผู้ปรารบความเพียนภิกษุทั้งหลายสมณสัญญาสามประการนี้แหลที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมไม่ทำเจประการนี้บริบูรณ์สมณสัญญาสูตรที่หนึ่งจบ 2. โพชังขสูตรว่าด้วยโพชงภิกษุทั้งหลาย โู้ชงทำที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้เจประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมให้วิชาสารประการบริบูรณ์โพ้ชงเจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโู้ชงทำที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ 2. ธรรมวิจยะสัมโู้ชงทำที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการเฟ้นธรรม 3. วิริยะสัมโพชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร 4. ปิติสัมโพชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจ 5. ปัสสติสัมโพชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจ 6. สมาธิสัมโพชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่น 7. อุเบกขาสามพ่ชมทำที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความมีใจเป็นกลางเพราะเห็นตามเป็นจริงภิกษุทั้งหลายพ่ชงเจประการนี้แหละที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วย่อมให้วิชาสามประการบริบูรณ์วิชาสามประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. รึรลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง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 ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายโพชงเจบประการนี้แหลที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมให้วิชาสามประการนี้บริบูรณ์โพชังกสูตรที่สองจบ 3. มิจฉาตสูตรว่าด้วยมิจฉาธรรมภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยมิจฉาธรรมทำที่ผิดจึงมีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลไม่มีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลเพราะอาศัยมิจฉาธรรมอย่างไรจึงมีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลไม่มีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลคือผู้มีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดย่อมมีมิจฉาสังกัปปะดำริผิด ผู้มีมิจฉาสังกัปปะย่อมมีมิจฉาวาจาเจรจาผิดผู้มีมิจฉาวาจาย่อมมีมิจฉากัมมันตะกระทำผิดผู้มีม <confiance. S 2> ิจฉากัมมันตะย่อมมีมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิดผู้มีมิจฉาอาชีวะย่อมมีมิจฉาวายามะพยายามผิดผู้มีมิจฉาวายามะย่อมมีมิจฉาสติระลึกผิดผู้มีมิจฉาสติย่อมมีมิจฉาสมาธิ ตั้งจิตมั่นผิดผู้มีมิจฉาสมาธิย่อมมีมิจฉาญาณนะรู้ผิดผู้มีมิจฉาญาณนะย่อมมีมิจฉาวิมุตติหลุดพ้นผิดภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยมิจฉาตธรรมอย่างนี้แหลจึงมีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลไม่มีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยสัมมตธรรมทำที่ถูกจึงมีการบรรลุสวรรค์และมรรคผล ไม่มีการพลาจากสวรรค์และมรรคผลเพราะอาศัยสัมมตธรรมอย่างไรจึงมีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลไม่มีการพลาจากสวรรค์และมรรคผลคือผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบย่อมมีสัมมาสังกัปปะดําริชอบผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมมีสัมมาวาจาเจรจาชอบผู้มีสัมมาวาจาย่อมมีสัมมากรรมันตะกระทําชอบผู้มีสัมมากรรมันตะ ย่อมมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมมีสัมมาวายามะพยายามชอบผู้มีสัมมาวายามะย่อมมีสัมมาสติระลึกชอบผู้มีสัมมาสติย well ่อมมีสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบผู้มีสัมมาสมาธิย<ะ>่อมมีสัมมายานะรู้ชอบผู้ม <arrested> ีสัมมายานะย่อมมีสัมมาวิมุตติ หลุดพ้นชอบภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยสัมมาตธรรมอย่างนี้แหลจึงมีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลไม่มีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลมิจฉาตสูตรที่สมจบ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 มิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณนะและมิจฉาวิมุตติทำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่เกลื้อกูลเป็นทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทิฏฐิเลวซาม กายกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแกท่ทิฏฐิละถึงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทิฏฐิเลวซามเปรียบเหมือนเมล็ดเสดาเมล็ดบวบขมหรือเมล็ดน้ำเต้าขมที่บุคคลเพาะไว้ในดินชุ่มชื้นรถดินและรถน้ำที่มันดูซับเอาไว้ทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเมล็ดเสดาวเป็นต้นนั้นเลวกายกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแกท่ทิฏฐิวัจีกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิมนโนกรรมที่ถอปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแกท่ทิฏฐิเจตนาความปรารถนาความตั้งใจและสังขารทั้งหลายของบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณนะและสัมมาวิมุตติทมทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเกืือกูลเป็นสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทิฏฐิดีกายกรรมที่เือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแกท่ทิฏฐิและถึงข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะทิฐิดีเปรียบเหมือนพันอ้อยพันข้าวสาลีหรือเมล็ด จ, จันทร์ที่บุคคนเพาะไว้ในดินชุ่มชื้นรถดินและรถน้ำที่มันดูดซับเอาไว้ทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของหวานน่าอร่อยน่าชื่นใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพันอ้อยเป็นต้นนั้นดีพีเชสูที่สี่จบ